ท่าระครูวิหารกิจจานุการปานพดบางหลองโคพบคนกับหลวงปู่บ่อยที่เขาวงพระจันทร์สมัยที่หลวงพ่อปานสร้างวัดสะพานนาพระอาจารย์มั่นปุริถตโตท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่รุ่นเดียว ก, กันกับเจ้าคุณอุบาลีท่านเป็นพระราชาวิในป่ามีลูกศิษย์มากหลวงปู่เจอท่านครั้งเดียว ที่วสศประทุมกรุงเทพหลวงปู่พระสุพมยานเทระวัดถ้ำพระพุทธบาทตากพาอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลวงปู่มีความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งได้นับถือพระสุพรมยานเทระว่าเป็นพี่ชายของหลวงปู่หลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปร่องอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ได้นสนธนาธรรมกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆด้วยความปิติรื่นเริงในอมตะธรรมหลวงพ่อสังวานเขมโกวะชุ่งสา ม, มัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ว่าท่านสังวานมีศรัทธาแรงกล้าเอาจริงพ้นได้แน่ถ้าไม่เลิกลงจากก่อน นอกจากพระเถระผู้ใหญ่สายปฏิบัติที่กล่าวแล้วยังมีพระเถรานุเถระและพระปฏิบัติอีกหลายท่านที่ได้เคยพบปะกับหลวงปู่บุตรดาได้สนทนาธรรมในปุตชาริสัชนาร่วมทางปฏิบัติธรรมจาริกธุดงด้วยเป็นบางครั้งอีกมากมายท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลอดีตเจ้าอาวาส วัดอาวุธวิกาสิตารามแต่ก่อนท่านเ็อยู่วัดสัมพันธวงศ์และได้รู้จักหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่ได้ให้เจ้าคุณรักษาศีลเท่าชีวิตท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2520ท่านเจ้าคุณนิมนต์หลวงปู่ มาจำภาษาที่วัดอาวุธและต่อมาท่านเจ้าคุณก็มรณภาพท่านเจ้าคุณว่าตอนหลวงปู่อยู่ว่าสัมพันธวงศ์เวลาหลวงปู่แสดงธรรมที่ควรฟังกันแน่นมากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมแนะนำคำสอนของหลวงปู่มาปฏิบัติบงเพ็ญความเพียรด้วยตนเองจะได้บรรลุธรรม อาหารเป็นพิษครั้งหนึ่งหลวงปู่ประกิตมิมนร่วมกับพระหลายลูกหลังจากฉันอาหารสักครู่เดียวพระทุกองค์ต่างอาเจียนกันขนาดใหญ่เพราะอาหารเป็นพิษจุดต้องนอนทรงอยู่กับที่เจ้าของบ้านตกใจมากเพราะก็ไม่รู้ว่าอาหารเป็นพิษพระทุกองค์ล้มนอนจนหมดคงเหลือแต่หลวงปู่องค์เดียวที่อาเจียน แล้วยังคุยกับโยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านอาจารย์จะอ้อนกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านได้เป็นอะไรหรือจึงนั่งคุยกับโยมเหมือนปกติหลวงปู่ว่าก็เจ้าภาคเขามีความทุกข์ใจยังดวงไม่ได้เจตนาร้ายอะไรแฝงอยู่แต่เป็นไปด้วยกรรมเลยนั่งคุยให้เขาให้คลายทุกข์ใจ อีกอย่างหนึ่งร่างกายเราที่มันสัจธวรมธาตุเท่านั้นถ้าสีมันถูกยาเมายาเบือ่อมันก็แสดงอาการต่างๆนาน า, นาส่วนจิตใจมันไม่ได้ถูกก็เลยไม่เป็นอะไรเพราะกลายกับใจมันคุณเรื่องรวมกันไม่ได้กายป่วยแต่จิตไม่ป่วยคราวหนึ่งหลวงปู่ต้องเข้าโรงพยาบาล วชิระพยาบาลเพื่อผ่าตัดนิ้วหลังผ่าตัดเสร็จหลวงปู่ว่าก็เยื่อชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วแพทย์พยาบาลต่างถามว่าหลวงปู่ไม่เจ็บหรือคนอื่นเขาโดนผ่าตัดน้อยกว่าหลวงปู่เขายังแสดงอาการเจ็บปวดมากหลวงปู่ทําอย่างไรถึงได้ไม่เจ็บหลวงปู่ว่าร่างกายของหลวงปู่มันก็เหมือนคนอื่น ทำไมมันจะไม่เจ็บแต่จิตใจต่างหากที่ไม่ได้เจ็บป่วยแด้กับร่างกายด้วยเท่านั้นในครั้งหนึ่งขณะหลวงปู่ป่วยอยู่โรงพยาบาลตํารวจซุนเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามปรรมรชาชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมเจ้จอมารดาสดับซึ่งป่วยอยู่ชั้นสองของโรงพยาบาลเมือ่อทรงทราบข่าวหลวงปู่พระองค์ท่าน ก็เสด็จขึ้นไปเยี่ยมที่ชั้นสามในห้องหลวงปู่และได้ประทับนั่งลงกับพื้นแม้เจ้าหน้าที่ก็จะพระที่ไว้รับเสด็จแล้วแต่พระองค์ให้ทรงประทับพร้อมกราบนมัตสการถามอาการป่วยของหลวงปู่แล่หลวงปู่ได้ตอบว่าป่วยแต่กายจิตไม่ป่วยลังจากพระองค์เสด็จกลับแล้วหลวงปู่บอกกับลูกจิตว่า สมเด็จพระเทพท่านอุปถั์พระแก้วมรกตมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็มาอุปถัก์อีกให้ลุก ป, ปู่ชื่นชมสมเด็จพระเทพว่าจริยาวัดท่านงดงามไม่ถือพระองค์วัดสองขาตั้งแต่วันแรกที่บวชในอุโบสถทั้งปู่ได้ตั้งกจัจจบรรมีว่าขอถวายชีวิตแด่พ ร, ระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ผู้สั่งสอนเราเราเป็นภาชนะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถาวายเรื่อยไปถาวายแล้วไม่เอาคืนรอกใ้พระพุทธพระธรรมพระสงค์ไปเลยหลวงปู่เคยจำภาษาตามวัดต่างๆมากมายแต่วัดที่อยู่ประจําตลอดชีวิตคือวัดสองขาท่านท่องเที่ยวเดินสุงดลง ไปทุกคนทุกแห่งทั่วเมืองไทยตามชน บ, บทน้อยใหญ่ป่าเขาลำเนาไพรจนกระทั่งอายุเจ็ดสิบท่านจึงหยุดเข้าป่าขึ้นเขาด้วยสังขารอันรุ่งโรยชุดโสมตามธรรมชาติของดินน้ำลมไฟภายในร่างกายนั่นเองวัดที่หลวงปู่เคยจำพรรษาวัด ลกบุรี 14,000 ปันศาอธิวัดเนินยาววัดประดงธรรมวัดทุ่งสิงโตวัดบางกระพีวัดในเพชรบุรี 20,000 ปาอธิวัดเนรัญชราวัดบุญทวีวัดสนามปรามวัดในกรุงเทพ 8,000 ปันาอธิวัดอาวุธวิกระสิตราม วัดราชาธิวาสวัดนรรยองเจ็ดพรรษาอาทิวัดเขาโคดคีรีวัดช้างชนราชบรมรุงวัดเขาโบดวัดในใจนาศีพรรษาอาทิวัดสองพี่น้องศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบุตรดาเทาวโรวัดในจังหวัดหนองคายอาทิวัดบรรทุงวัดในจังหวัดสระบุรี อทวัดหนองนนเหนือวัดในจังหวัดนครสวรรค์อทิวัดโดงหนองหลวงวัดป่าหนองครูวัดในจังหวัดราชบุรีอทิวัดเหนือบนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์อทิวัดบวชชนะมานวัดในจังหวัดเชียงใหม่อทิวัดศีโขงวัดในจังหวัดสิงห์บุรีอทิวัดพี่กุลทอง ไว้กลางชูศีเจริญสุขช่วงปลายของชีวิตเมื่อครั้งท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธท่านได้นิมนต์หลวงปู่และหลวงพ่อสง ม, มาพักประจำที่วัดหลวงปู่บุดาได้พักเป็นครั้งคราวส่วนหลวงพ่อสงท่านอายุมากแล้วจึงอยู่จำพรรษาที่วัดอาวุธ ตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพปี2519และในปี2520หลวงปู่บุดดาจะได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธเมื่ออายุ83ปีท่านเจ้าคุณก็ได้มรณาภาพหลังจากหลวงปู่สงมรณภาพเพียงปีเดียวซึ่งขณะนั้นบทวิหารที่ท่านเจ้าคุณสร้างยังไม่เสร็จเมื่อลุงปู่มาอยู่ ก็ช่วยสร้างสาราที่เก็บน้ำและทอดกระถินร่วมสร้างโบสถ์สร้างสาราธรรมสานเป็นสาร า, า, าสำหรับปฏิบัติกรรมฐานด้วยในปี2522หนหงลวงปู่ต้องรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อหายแล้วได้กลับไปเยี่ยมวัดบุญทวีถ้าแกลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อจวนเข้ า, าปรรษาหลวงปู่เย็น ฐานาระโตจเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีจเจริญสุขนีมนุ์ให้หลวงปู่จำปรรษากับท่านหลวงปู่จึงได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เย็นโดยมีท่านพระอาจารย์มหาทองการจโนิทธิ์กลหลวงปู่ผู้รับใช้ใกล้ชิดตลอดเวลาตั้งแต่พบกับหลวงปู่ที่ถ้ำแกรบวัดบุญทวีเป็นต้นมาและติดตามมาเป็นพระอุปัฏฐด้วย วัดกลางจูสีเจริญสุขซึ่งเดิมเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างดีด้วยบารมีของพระกุหลางปู่บุรดาถาวโรหลวงปู่เย็นฐานารโตและทีมือการบริหารการปกครองของพระอาจารย์มหาทองการจารโนซึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสปี2531 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูโสพลจารุวัด ร, รองเจ้าคณะอำเภอบางระจันส่วนหลวงปู่เย็นเไดนสร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากวัดกลางชูศรีเจริญสุขประมาณ6กิโลเมตรชื่อวัดสระประเรียนอย่ใิเกตจังหวัดชายนาฏและได้ไปมาหาสูหลวงปู่อยู่เสมอแม้สังฆาลูกปู่จะชราภาพมากแล้วก็ยังเมตตา รับกินิมนต์ด้วยจิตเกือ้อกูลอนุเคราะห์ต่อทุกคนทุกสถานที่สุดแต่ลึกสิจะพาไปบางครั้งู้วยจิตามหลวงปู่เหนือนไหมครับหลวงปู่ว่าธรรมะไม่เหนื่อยหรอกแต่สังขารก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแป้งมงคลช่วงหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่อยู่วัดสองพี่น้อง ก็เริ่มมีลูกศิษย์มากขึ้นระยะนั้นมีคนเอาแป้งแตะไหวาให้ท่านใช้ถาตัวเพราะเป็นผื่นคันเวลากลับท่านไม่รู้จะให้อะไรเขาเป็นมงคลคว้าแป้งได้ก็บอกเอา้าเอามือมาถาแป้งมงคลกันคิ่กล่าที่เกลื่อนกันหลงกันเลิมจนเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ที่แจกแป้งมงคลองค์เดียวในประเทศไทยท่านแจกให้หมด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 จะส่งไว้ซึ่งคุณวิเศษอันสูงส่งถึงขั้นอรหันต์ก็ตามกายสังขารของหลวง ป, ปู่ก็เช่นกันด้วยเมื่อวันที่หกลุมภาพันธ์2536ห้าหลวงปู่ได้ไปร่วมงานทาบุญร้อยวันหลวงพ่อราชพง์มยานวัดท่าสุงอุทัยธานีหลังจากกลับถึงวัดแล้วประมาณตีหนึ่งหลวงปู่ มีอาการป่วยกระทันหันเส้นโลหิตในสมองด้านซ้ายอุดตันพระครูโสพลจารุวัฒน์ได้นำส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีนายแพทย์วิสิทธิ์ถนัดสร้างได้นำหลวงปู่เข้าเอกสเร็กคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลหมอพระเจิดพบว่าสมองซีกซ้ายอ่อเส้นโลหิตอุดตันปอดอักเสบหลวงปู่มีอาการหอบมาก เสมหะตกค้างในปอดมากแพทย์ตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจทางปากเกกุมภา พ, พันธ์สสมิเด็จพระเทพรัตนาราชชุดาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับหลวงปู่เข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะแพทย์สิงห์บุรีที่ได้นำหลวงปู่ สู่โรงพยาบาลศิริราชนา้อก i c ซีูโดยมีนายแพทย์วัฒนะทิ่ตานิลกเป็นผู้ติดต่ออำนวยความสะดวกและมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทามาราเนธเป็นแพทย์เจ้าของไข้11กุมภาพันธ์2536หลวงปู่ได้รับการรักษาใน่้องอภิบาลการหายใจ RCU ตึกอสดางชั้นสองลุงปู่อาการดีขึ้นตามลำดับหายใจได้เอง14รกรกฎาคม2536จึงได้ย้ายไปที่ห้องพิเศษตึก84ปีห้อง808ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลประจำตึกมีพระอุปถากอยู่ประจำสองรูป 26พิพฤศจิกายน2 5งพห้ารหลวง ป, ปู่มีการจุดลงมีอาการหอบและไอแพท ย, ย์ได้นำเสมหะไปเพาะเชือ้อปรากฏว่าหลวง ป, ปู่ติดเชื้ออย่างแรงสองธันวาคม2 5งพ้ายแพทย์ยายหลวงปู่กลับไปที่ห้อง ICU อีกครั้ง แต่อาการไม่ดีขึ้น11มกราคม2537ช่วงกลางคืนอาการหลงปูสุดวิสัยคณะแพทย์จะเยียวยารักษาได้ตอนเช้า12มกราคม2537หน้าหลงปูดูสดใสเ ป, ปล่งปลั่ง สดชื่นผิวพรรณวันนะผ่องใสามากเป็นพิเศษผิด ธ, ธรรมดาทั้งๆ ท, ที่อาการป่วยหนักยังทรงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างช่วงบ่ายฝนเริ่มตกปลอยปลายบริเวณโรงพยาบาลสิริราชประหนึ่งดังว่านคร พ, พุทธมนต์อมริตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อัศจรรย์ใจ เป็นมิตรหมายบอกใครทราบว่าอีกไม่ช้านี้หนอะพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นดวงประทีบที่เคารพรักสักการะบูชายิ่งของปวงสิทธิ์ศาสนิ ก, กชนมวลมนุษยชาติที่ใฝ่รมกำลังจะละกายสังขารแน่นอนและแล้วหุว ป, ปู่ก็ค่อยผ่อนลมหายใจ ช้าลงเป็นลำดับจนหยุดสงบนิ่งเมื่อเวลา19เก้านาฬิกาสิบนาทีแม้ว่าขณะที่ร่างกายหลงปูอาภพาดต้องสวยทุกขเวทนาอยู่ก็เป็นแต่เฉพาะทางกายเท่านั้นหาได้สวยทุกขเวทนาอันเป็นไปทางจิตไม่เพราะสิ้นชาติแล้ว เต็มาะว่ากายจะทุกขเวทนามากน้อยประการใดทุกเวทนาที่กำลังสเสวอยู่นั้นก็มีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิสทุกเวทนาจิตแม้สักนิดหนึ่งจึงไม่ได้บังเกิดขึ้นกับหลว ง, งปู่เลยจะดีระหลวงปู่สงบเงียบและสูญสิ้นที่สุดในโลก ไม่มีการกลับมาเกิดได้รับความทุกข์ทรมานในวัฏสงสารเป็นห่วงมหันตภัยที่ยาวนานจนรู้ที่สิ้นสุดอีกต่อไปตลอดกลประวะสารสิริรวมอายุหนึ่งหนึ่งปีเจวัน7 3สาพรรษา วาัฒหลงปู่รัชกาลที่หกนี่แผนที่เขาจะแบ่งกันอยู่แล้วให้อังกฤษเอาทางต่อตอให้หมดไปจนถึงเชียงตงุงฝรั่งเศสก็เอาทางป่ออทางขเขมรทางแคว้นลาวทางเวียดนามไปจบเชียงตุงโน้นเลยไม่ได้เพราะรัเสเซียและอเมริกาขวางคอไว้ไม่ให้ทำ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 เขามาทำลายเมืองเราไม่ได้เราไม่ตอบแทนหรอกาศาสนาพุทธนะคฆ่าสัตว์ไม่ได้าศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์ได้ตอนเป็นทหารยามยืนสองชั่วโมงศัตรารที่แหลงอินโดจีนเก็บมาได้261อีกเอาไปไว้บนสาลาวัดบราชาทิวาะ ไปยืนยามคู่ยามกิตยศศพทหารกิตยศนั้นของพระเจ้าแผ่นดินใครดูหมิ่นไม่ได้ใส่ลงไปในหีบก็ไปดูหมิ่นไม่ได้หรอกไปยืนยามก็ท่าตรงยืนคู่พระเชิญงูยักษ์วันหนึ่งขณะทำกรรมฐานใหม่ใหม่ท่านก็ได้กลิ่นแปลกปลอมเป็นกลิ่นสับสาบแปลก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 ก็วุ่นวายใจสู้ดูให้รู้แกตาเสียเถิดคิดแล้วจึงลืมตาดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้หลวงปูนั่งตัวแข็งตะลึงอยู่กับที่นั่นคืองูใหญ่ตัวยาวหลายวาหัวขนาดเกือบเท่าลูกมะพร้าวในตาแดงฉานและเปลิ้ยนแบบแบบแบบปลกๆจูบคอจ้องอยู่เบื้องหน้าของท่าน ห่างว่าเดียวท่านนั่งนิ่งด้วยความคาดไม่ถึงจิตของท่านกำลังพิจารณาหาเหตุผลอยู่กลัน่นรึกถึงคุณอำนาจบา ร, รมีของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วหลับตายอมอุทิศเลือดเนื้อและกายนี้เป็นมูร้ายจิตจึงคลายวานไม่ห่วงใยในชีวิต และสังขารต่อไปชั่วขณะหนึ่งด้วจิตใจอันมั่นคงต่อองค์พระบรมศ า, าสดาช่วยให้ท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายได้